บัดนี้พระนางจันทาผู้เป็นอัครมเหสีของพระจันท ก, กุมารมอบลงแทบบาทมูลของพระราชาพลางร่าให้ทูลว่าพระเจ้าแผ่นดินผู้ครองรัฐผู้เป็นทายาทของชนบทผู้เป็นใหญ่เป็นเจ้าโลกองค์นี้จักไม่ทรงยังความสิเนหาให้เกิดในบุตรแน่ละหรือพระราชาทรงสดับคานั้นแล้วตรัสพระคาถาว่า ลูกทั้งหลายเป็นที่รักของเราตนเองก็เป็นที่รักอนหนึ่งแม้เจ้าทั้งหลายผู้เป็นภรรยาก็เป็นที่รักของเราแต่เราปรารถนาสวรรค์เหตุนั้นจึงได้ให้ฆ่าลูกทั้งหลาย <lude> เนื้อความแห่งพระดำรัสนั้นว่าเพราะเหตุไรเราจะไม่บังเกิดความรักลูกแท้จริงบุตรทั้งหลายเป็นที่รักของเราไม่ใช่แต่พระโคตมีองค์เดียวเท่านั้น แม้เราก็มีความรักบุตรทั้งหลายตนเองก็ดีก็เป็นที่รักเจ้าทั้งหลายผู้เป็นสะพายก็ดีภรรยาทั้งหลายก็ดีก็เป็นที่รักของเราเหมือนกันแม้เมื่อเป็นเช่นนั้นเราปราถนาซึ่งสวรรค์นั้นเพราะเหตุนั้นเราจะฆ่าเจ้าทั้งหลายเหล่านี้เจ้าอย่าคิดไปเลยแม้ทั้งหมดนั้นก็ไปอยู่กับเราในเทวโลกทั้งสิ้นพระนางจันทาทูลว่า ข้าแต่พระองค์ผู้ประเสริฐขอจงทรงพระกรุณาโปรดรับสั่งให้ข้าฆ่าพระองค์เสียก่อนขอความทุกข์อย่าได้ทําลายหัตไทยของข้าพระองค์เลยพระราชโอรสของพระองค์เป็นสุขุมาลชาติระดับแล้วงดงามข้าแต่เจ้าชีวิตขอได้โปรดฆ่าฆ่าพระองค์เสียก่อนข้าพระองค์จักเป็นผู้มีความเศร้าโศกกว่าจันทกุมาร ขอพระองค์จงทรงทาบุญให้ไพบูร์ข้าพระองค์ทั้งสองจะเที่ยวไปในประโลกบรรดาคำเหล่านั้นคำว่า่กนปะทมังความว่าข้าแต่พระองค์ผู้สมมุติเทพขอพระองค์จงทรงฆ่าข้าพระองค์ก่กนกว่าพระสวามีของข้าพระองค์เถิดคำว่าความทุกข์ทุกขังความว่า ทุกแต่ความตายของพระจันทกุมาร น, นั้นขออย่าได้ยังหัวใจของข้าพระองค์ให้แตกเสียเลยคำว่าประดับแล้วอลังกโตความว่าประดับแล้วด้วยอาการอย่างนี้คือพระกุมารองค์นี้องค์เดียวประดับตกแต่งแล้วสำหรับข้าพระองค์พระนางย่อมแสดงว่าถ้าแต่พระมหาราช พระองค์ไม่ทรงรักใครซึ่งพระราชบุตรองค์นี้ว่าเป็นลูกของเราคำว่าหันทัยยะฆ่าแต่เจ้าชีวิตขอได้โปรดตัดบทเป็นหันทะอายะพระนางพร่ำเพรอพลางทูลอย่างนี้กับพระราชาคำว่าเป็นผู้มีความเศร้าโศกสะโศกาความว่าเป็นไปกับด้วยความเศร้าโศกกับพระจันทกุมาร คำว่าจักเป็นเหตุสามิได้แก่จกักมีข้อว่าข้าพระองค์ทั้งสองจะเที่ยวไปในประโลกวิจารามะอุโพภระโลเกความว่าข้าพระองค์และพระจันทกุมารแม้ทั้งสองอันพระองค์ให้ข้ารวมกันจะเสวยสุขเที่ยวไปในประโลกขอพระองค์อย่าได้ทรงทําอันตรายแก่สวรรค์ของข้าพระองค์ทั้งสองเลย พระราชาตรัสว่าจันทาผู้มีตางามเจ้าอย่าชอบใจความตายเลยเมื่อบุตรของพระนางโคตมีผู้อันเราบูชายันแล้วพี่ผัวน้องผัวของเจ้าเป็นอันมากจักยังเจ้าให้รื่นรมยินดีบรรดาคำเหล่านั้นคำว่าจันทาเจ้าอย่าชอบใจมาตวังจันเทรุจิได้แก่ เจ้าอย่าชอบใจความตายของตนเลยบาลีว่ามารุทิดังนี้ก็มีความว่าอย่าร้องไห้ไปเลยคำว่าพี่ผัวน้องผัวเทวราความว่าพี่ผัวน้องผัวของเจ้าเป็นผู้ประเสริฐต่อแต่นั้นพระาศาสดาตรัสกึงคาถาว่าเมื่อพระราชาตรัสอย่างนั้นแล้ว พระนางจันทาเทวีก็ตีพระองค์ด้วยฝ่าพระหัตต์ต่อแต่นั้นพระนางก็ทรงรำพันว่าไม่มีประโยชน์ด้วยชีวิตเราจะดื่มยาพิษตายเสียในที่นี้พระยาตและพระมิตรผู้มีพระทัยดีของพระราชาพระองค์นี้ซึ่งจะกราบทูลทัดทานพระราชาว่าอย่าได้รับสั่งให้ฆ่าพระราชโอรสอันเกิดแต่พระอุระเลย ย่อมไม่มีเป็นแน่แท้เทียวพระาศและพระมิตรผู้มีพระทัยดีของพระราชาพระองค์นี้ซึ่งจะกราบทูลทัดทานพระราชาว่าอย่าได้รับสั่งให้ข้าพระราชโอรสอันเกิดแต่พระองค์เลยย่อมไม่มีเป็นแน่แท้เทียวบุตรของข้าพระองค์แม้เหล่านี้นั้นประดับพวงดอกไม้สวมกำไลทองต้นแขน ขอพระราชาจงเอาบุตรของข้าพระองค์เหล่านั้นบูชายัญแต่ขอพระราชทานปล่อยบุตรของพระนางโคตมีเถิดข้าแต่พระมหาราชาขอจงทรงตัดแบ่งข้าพระองค์ให้เป็นร้อยส่วนแล้วทรงบูชายัญในสถานที่เจ็ดแห่งอย่าทรงฆ่าพระราชบุตรองค์ใหญ่ผู้ไม่คิดประทุษร้ายผู้องค์อาจดังราชสีเลยข้าแต่พระมหาราช ขอจงทรงตัดแบ่งค่าพระองค์ให้เป็นร้อยส่วนแล้วทรงบูชายันในสถานที่เจ็ดแห่งอย่าได้ทรงค่าพระราชบุตรองค์ใหญ่ผู้ที่ชาวโลกทั้งปวงมุ่งหวังบรรดาคำเหล่านั้นคำว่าอย่างนั้นเอวังความว่าเมื่อพระเจ้าเอกราชผู้โง่เขลาตรัดอย่างนั้นด้วยคำว่าตีหันติพระนางทูลว่า ข้าแต่พระองค์ผู้สมมุติเทพเหตุไรหรือพระองค์จึงตรัสเช่นนั้นแล้วทุบตีพระองค์ด้วยฝ่าพระหัตคำว่าจักดื่มปิดสามิได้แก่จักดื่มกินคำว่าแมเหล่านี้นั้นอิเมเ ต, เตปิความว่าทรงจับมือเด็กที่เหลือแมเหล่านี้ตั้งต้นแต่วสุลกุมาร ประทับยืนอยู่ใกล้บาดทมูลของพระราชาแล้วได้กล่าวอย่างนั้นคำว่าประดับพวงดอกไม้คุนิโนความว่าประกอบด้วยอาภรคือกลุ่มดอกไม้คำว่าสวมกาไลทองต้นแขนกายุระธาริโนความว่าทรงไว้ซึ่งเครื่องประดับคือกาไลทองคำว่าร้อยส่วนวิละสะตัง ความว่าข้าแต่พระมหาราชพระองค์ข้าข้าพระองค์แล้วแบ่งเป็นร้อยส่วนคำว่าในสถานที่เจ็ดแห่งสัตตะทาได้แก่จงบูชายันในที่เจ็ดแห่งลำดับนั้นพระนางจันทาเทวีนั้นทรงคร่อมครวญในสำนักพระราชาด้วยคาถาเหล่านี้แล้ว เมื่อไม่ได้ความโล่งใจจึงเสด็จไปสำนักพระโพธิสัตว์นั่นแลแล้วยืนร่ำไห้อยู่ลำดับนั้นพระจันทกุมารตรัสกับพระนางจันทาว่าจันทาเมื่อเจ้าพูดดีกล่าวดีถึงเรื่องต่างๆเราเมื่อยังมีชีวิตอยู่ให้อาภรณ์แก่เจ้ามากมายมีแก้วมุกดาเป็นต้นทั้งที่มีราคามากและน้อย แต่วันนี้เราจะให้อาภรอันประดับอยู่กับกายเรานี้อันเป็นการให้ครั้งสุดท้ายนี้แก่เจ้าเจ้าจงรับอาภรนี้ไว้พระศาสดาเมื่อจะทรงประกาศความข้อนั้นจึงตรัสว่าเครื่องประดับเป็นอันมากล้วนแต่ของดีๆคือมุกดามนีแก้วไพรทูลเราให้แก่เจ้าเมื่อเจ้ากล่าวคาดีนี้ เป็นของที่เราให้แก่เจ้าครั้งสุดท้ายปายพระนางจันทาเทวีครั้นสดับคําพระสวามีแล้วก็รำพันกล่าวด้วยคาถาเก้าคาถาอื่นจากนั้นว่าเมื่อก่อนพวงมาลาบานเคยสวมที่พระสอของพระกุมารเหล่าใดวันนี้ดาบที่เขาลับคมดีแล้วจากฟันที่พระสอของพระกุมารเหล่านั้น เมื่อก่อนพวงมาลาอันวิจิตรเคยสวมที่พระสอสวของพระกุมารเหล่าใดวันนี้ดาบที่เขารับคมดีแล้วจากฟันที่พระสอสวของพระกุมารเหล่านั้นไม่ชาแล้วหนอดาบจากฟันที่พระสอสวของพระราชบุตรทั้งหลายก่หาไทยของเราจะไม่แตกแต่จะต้องมีเครื่องรัดอย่างมั่นคงเหลือเกิน พระจันทกุมารและพระสุริยกุมารทรงผ้าแคว้นกาสีอันขาวสะอาดประดับกุนทนไล้ทากฤษสนาและจุนแก่นจันท์สเสด็จออกเพื่อประโยชน์แก่การบูชาญาณของพระเจ้าเอกราชพระจันทกุมารและพระสุริยกุมารทรงผ้าแคว้นกาสีอันขาวสะอาดประดับกุนทนไล้ทากฤษสนาและจุนแก่นจันท์ สเสด็จออกทำความเศร้าพระหารุไทยแก่พระชนนีพระจันทกุมารและพระสุริยกุมารทรงผ้าแคว้นกาสีอันขาวสะอาดประดับกุลทนไลทากฤษณะและจุนแก่นจันทร์สเสด็จออกทำความเศร้าใจให้แก่ประชุมชนพระจันทกุมารและพระสุริยกุมารเสวยพระกรยาหารอันปรุงด้วยรสเนื้อ สนานสะสมพระกายดีแล้วประดับกุนทนไลทากริสนะและจุนแก่นจันสเสด็จออกเพื่อประโยชน์แก่การบูชายันของพระเจ้าเอกราชพระจันทกุมารและพระสุริยกุมารเสวยพระกระยาหารอันปรุงด้วยรสเนื้อสนานสะสมพระกายดีแล้วประดับกุนทนไลทากริสนะและจุนแก่นจัน สเสด็จออกกระทาความเศร้าพระหฤทัยให้แก่พระชนนีพระจันทกุมารและพระสุริยะกุมารเสวยพระกายาหารอันปรุงด้วยรสเนื้อสนานสะสมพระกายดีแล้วประดับกุลทนไหลทากริษณาและจุนแก่นจันทร์สเสด็จออกกระทาความเศร้าใจให้แก่ประชุมชนบรรดาคำเหล่านั้นคำว่ามาลาบาน พุลามาลาได้แก่พวงดอกไม้คำว่าเตสัชชะอันนี้ของพระกุมารเหล่านั้นตัดบทเป็นเตสังอัต ช, ชะคำว่าเนติงโศแก้เป็นอะสิดาบคำว่าจักฟันวิวัติสติได้แก่จักตกคำว่าไม่เช้าแล้วหนออจิราวัต ได้แก่ไม่นานหนอคำว่าจะไม่แตกนะผาเลติได้แก่จะไม่สลายคำว่ามีเครื่องรัดอย่างมั่นคงเหลือเกินตาวะธันละหะพันธนันจะเมอาสิความว่าจะมีเครื่องผูกมัดอันมั่นยิ่งนักจากผูกมัดหาไทยของเราคำว่าสเสด็จออกนิยัตะ ได้แก่สเสด็จออกไปเมื่อพระนางจันทาคร่ำครวญอยู่อย่างนั้นการงานทุกอย่างในหลุมยันสำเร็จแล้วอามาทั้งหลายนำพระราชบุตรมาแล้วให้ก้มพระสอลงนั่งอยู่กันดหาละพรามน้อมถาดทองคําเข้าไปใกล้แล้วหยิบดาบมายืนถืออยู่ด้วยหมายใจว่าเราจะตัดพระโสะพระราชกุมาร พระนางจันทาเทวีเห็นดังนั้นคิดว่าที่พึ่งอื่นของเราไม่มีเราจะ ก, กระทาความสวัสดีแก่พระสวามีด้วยกำลังความสัตย์ของเราจึงประคองอัญชลีดำเนินไปในระหว่างที่ชุมนุมชนแล้วทรงกระทาสัจกิริยาพระศาสดาเมื่อจะทรงประกาศความข้อนั้นจึงตรัสว่า เมื่อเขาตกแต่งเครื่องบูชายันทุกสิ่งแล้วเมื่อพระจันท ก, กุมารและพระสุริยกุมารประทับนั่งเพื่อประโยชน์แก่การบูชายันพระราชธิดาของพระเจ้าปัญจาราชประนมอัญชลีเสด็จดำเนินเวียนในระหว่างบริษัททั้งปวงทรงกระทาสัจจะกิริยาว่ากันดหาละผู้มีปัญญาสามได้กระทากรรมชั่ว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 เมื่อเขาจัดตกแต่งเครื่องบูชายันพร้อมทุกสิ่งคำว่าได้อยู่ร่วมสมังคินีความว่าขอข้าพเจ้าจงเป็นผู้ประกอบพร้อมคือประกอบเป็นอันเดียวกันได้แก่เป็นผู้อยู่ร่วมกันคำว่าเยทัติที่มีอยู่ในที่นี้ตัดบทเป็นเยอิทัถินี้คาว่ายักษ สัตว์ที่เกิดแล้วและสัตว์ที่จะมาเกิดยักษะภูตะพพยานิความว่ายักษ์กล่าวคือเทวดาพูดสัตว์ที่เกิดแล้วกล่าวคือสัตว์ที่เจริญแล้วดำรงอยู่และเหล่าสัตว์ที่พึงเกิดกล่าวคือสัตว์ผู้เจริญในบัดนี้ควาว่าความขวนขวายเวยาวติกัง ความว่าจงกระทําความขวนขวายเพื่อข้าพเจ้าคําว่าขอจงคุ้มครองข้าพเจ้าตายะทมังได้แก่จงรักษาข้าพเจ้าคําว่าขอวิงวอนท่านทั้งหลายยาจามิโวความว่าข้าพเจ้าขอร้องท่านทั้งหลายคําว่าปฏิมาหังข้าพเจ้าพระสวามี ตัดบทเป็นปฏิอหังคำว่าขออย่าให้ชนะอเชยังความว่าขอข่าศึกอย่าพึงชนะคือไม่ชนะ